หกทิศบวกแรอเก้าทอยู่้ายดจรบภูัาาอองส้างใเราไว้ตามรกาสิเปอรเซสูง มันเทศมันกรบอไปจิตมันมาออกจิตมันติดอยู่เครื่องเล่นเครื่องขวันจิดอยู่ในสมบัติจิดอยู่ในวัตถุก็สอนให้หาวัตถุหรือพวกมัไปมานีย่ยทิ้ที่เป็นโทษถห น, นกับพ่อพู ด, ดววิวัตถุหาวัตถุซะอย่าไปหลกอกพวคนอื่นซะอย่าทำนั้นเป็นโทษซะกับพ่อแล้วตำน่งพ่อมันจะไปไห นี่บอกพระเาให้ฟังเลยนาติดอันไหนก็ทำไปนั่นแต่อย่าไปโลภกับคนอื่นแล้วก็จะทําทสิ่งที่มันเป็นโทษคืองๆเพราแม่คุณจัมั่นนงดีใดไม่มีโทษทำสิ่งนั้นแหละอ่าสิถวัตถุ ก, ก็สร้างไปทําไปสิ่งเป็นโทษเราโพงมดลงมดลงอันนี้กิตมันจะมีความเจริญทางดีมีต้นเหตุมันเป็นดีนักป่าท่้นยิ่งศักดิ์ดีใดไม่มีโทษดีเลนร์คาเดียวชื่อว่าดีเลอร อะไรมันเป็นโทษก็อย่าไปทําเหียงมันก็เกี่ยวแก่วัตถุทุกสิ่งทุกอย่างเกิจดจากวัตถุรูปก็เกิจดจากวัตถุท่านสอนไว้พอดีพอดีนี่ทางเดินของทางเดินของมนุษย์ทางเดินที่จะมนุษย์ทําใจให้มนุษย์ไปสูงขึ้นสูงขึ้นไปดังนั้นเมื่อจิตมันเต็มตัววัตถุกินมตัวแล้วก็ก้าเข้าไปใส่สีนพอสีอินตัวแล้วก็คือว่าออกเนคคำะคิดหาออกหนทางหาความ กิจพ้นทุกแม้สมบัติจะมีก็จิตใจก็ยังวุ่นวายจิตใจก็หาคำสงฆไม่เจอทีนี้มันอิ่มมันอื่นวัตถุมันก็ก้าออกจากวัตถุพอจากนี้รูปเสียงทุกสังทุกอย่างมันก็สมบูรณ์เต็มที่ก็ก้า อ, าออกนี่คำมั่มันต้องพอเป็นขั้นเป็นตอนไปท่านกิจจะไม่พอเป็นดึงไปลากมันออกมันก็ไม่ออกไม่ว่าท่านมาเรอท่านดึงสอนอนุสิกถาฐ า, 5, านฐานนกขาทีละกถา ผู้เรียนเขาเข้าใจเพราะเราไม่ได้เรียนมีพูดเพน่อนแย่ๆแต่มันไม่อยากทำจิตไม่ว่าจิตท่านจิตเราส่วนมากมันเพลินตรัตตะระเพลินยิ่งๆในอารมณ์เพลินในความรู้ความฉลาดก็เพลินเพลินในความงู้ก็เพลินเพลินไปลืมไปมึนมิดปิดตาไปเลยหรือแปลว่าเพลินไปใช่ เพิ่มไอ้นี่จากหนุ่มก็เพลินไปนมีแต่เพลิน ม, มีแต่ประมาทมดจิตแต่ละดวงละดวงละดวงประมาททันจึงให้ย้อนกลับมาจะออกไปข้างนอกส่งไปข้างนอกมันคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยไม่มีขอบสิไม่มีสาระถึงจะปรับเข้ามาในหลักถีดหลักธรรมซึ่งเป็นตัวปรับจิดตดวงนี้ให้ดีให้ดีเด่นขึ้นไปเป็นระดับนับแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุติิภารนะฟังดูสิ ความแค่นี้ก็นําไปคิดดื่นปรับคำว่าปรับจะต้องใส่ความอดความทลความระวังสังวรทุกด้านทุกหมู่ความระวังสังวรไม่ใช่เรื่องสวย ง, งามระวังการพูดระวังการทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ตกกระเทือนทั้งท่านทั้งเราพระพุทธเจ้าต่อเข้าสู่ปรินิพานนั่นก็สอนดูก่อนวิสุททั้งหลายท่านอย่าอย่าถึงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทตนใ้ประวัติผู้อื่นน่ะประมาทต้นก็ให้บำ ประมาทตนก็หมายถึงว่าพากันเล่นกันเพลินการสนุกล่าเริงอันนี้ประมาทตนหมายถึงพร้อมตึ๊กจะประมาทตนเองไม่ประมาทตนเองให้ย <ơi> ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่เป็นประโยชน์ก็ทําทําทําทำทำพูดแล้วพูดเล่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นโทษมันจะไม่นําความเศร้าหมองเข้ามามีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีทางต่ําการศึกษาเราเรียนก็ไม่ประมาท หาความรู้วิชามาเพื่อจะปกครองชีวิตตัวเองหรือหามันได้มากน้อยแค่ไหนก็นเป็นสมบัติขอ ง, ต, งตัวเองก็อย่าประมาทประกอบชีวิตชัมมาอาชีโวเการเลื่องชีวิตในถูกถา่าม็นสมองอย่าฆ่าสัตว์อยา่า ร, รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมเนะี่ยสามนี่เป็นชัมมาอาชีโวแล้วรักทรัพย์ประพฤติผิดในการมนะเดี๋ยวนี้มันประตัวนี้แหละตัวประพฤติผิดในการมนะเป็นอะไรเป็นหมดเป็นทะเลศาบตัวห่ว่า เพราะอำนาจสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมาจมอยู่ตรงนี้หมดจึงเป็นเหตุให้ไม่กลัวนี้ถ้าหลุมเลือกกลุมเลือกที่สุดคือนรกส่วปิดปิดหมดเลยปิดกั้นปิดหูปิดตาปิดไปหมดมืดมนอาาุนภารการไปหมถ้าทุมนี้ได้ครอบงำเข้าไปจึงเป็นเหตุให้ไม่มองหน้ามองหลังมองใครทั้งหมดโลกมาก็โลกมาเพื่อเพื่ออันนี้ชนะสมบัติมาตรดสานมากมายไกลกองก็เพื่ออันนี้ทนะังนั้น เขาโลกทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายตลอดทังสัตว์ถืออันนี้ว่าเป็นคนเป็นความสุขความสนานล่าเลยถืออันนี้เป็นแต่อย่าลืมว่าสิ่งนี้เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยคือตัวนี้ทําให้อาภับทําให้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอาภัพท่านเป็นคนไม่บ้าเสียจริตผิดมนุษย์เป็นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างพอาะอำนาจตัวนี้พาให้ลากลงทำให้จิตต่าตกลงต่ำท่ันหัวอาบายนุษถัดจึงแยกออกเป็นพวกเป็นหมู่ คือทางที่ไม่ดีท่านก็แย่หนนักเลงเที่ยวกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงผู้ชายอันนี้ท่านพูดหนนทางแห่งทางต่ำหนทางที่จิตใจไม่ให้ขย่ืบขึ้นไปในทางที่ดีงนาะไม่เจริบออกจากทางทุกก็เหมือนมแลงเม้ามิงเข้าไปนั่นแหละอย่างนั้นแนหะไม่กลัวเลยเดือนนี้เป็นอย่างนั้นบอกนะพระพุทธเจ้าท่านโอ้โหนะจําไม่ดีนี่เราอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลหยท่านหลายองมา ถ้าไม่มีความเมตตานี้ทำนี้ละเอียดมากท่านบอกว่างี้ใครอยากจะมาสอนมนุษย์เมื่อคิดเห็นแล้วมันไกลกันลิบดีไกลมากที่สุดเลยทุกองเราได้เห็นพ่อแม่คุณจันทร์พ่อหลวงแตงหลวงปู่บัวท่านก็พูดใครได้ถึงทำความจริงแห่งถึงพระนิพพานท่านบอกให้ถึงจิตบริสุทธิ์แล้วโอ้มันไกลกันมากที่สุดเลยกับมนุษย์ จะมาสอนได้ยังไงมันรุ่มหลงหมดเหลยมันมืดหมดเลยท่านตะกิดเรื่องของท่านจริงจึงมาฉุดมาลากจึงมาบอกมาดุมาด่ามาค่อยแนะนําสั่งสอนผู้ที่จะควรแนะนําสั่งสอนท่านแนะนำสั่งสอนท่านเมตตาจริงจริงบรรดาทุกองคเลยเพราะแม่คุณเจอข่าวเขาพูดโถกิจมันละเอียดมากมันเกินความคามิดของมนุษย์บุตรชนมันจะลากออกนี่โถเหมือนเหมือนลากไม้ทั้งทั้งรุ่น มันเป็นอยไงขนุนจิตเราสิวันหนึ่งวันหนึ่งมันเต็ดมันลากออกจากอารมณ์มันลากออกได้เมืน่นไรแต่ความหลับความนอนก็หลับมีแต่กล่อมอยู่ตลอดเวลาขนุนจิตเรานี่ท่านว่ายากลําบากขนาดไหนท่านบอกว่าทุกองคท้อใจหมดพอถึงทําข่านนั้นท้อหมดทอหมดแต่และองค์พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยที่อยู่ด้วย เราถึงบอกโอโหครูบอาจารย์ที่จะไม่ไน้นำสั่งสอนไม่ใช่ว่าเราจะมาเทศกันมาพูดกันแบบปร า, า, าปรามาเปล่ามาสอนกันแบบโลกโลกโลกคนคนละเรื่องไกลไกลกันมากมายกา่ขวไมันคิดถึงนั้นเลยผู้ที่สอนมุ่งอัดมุ่งทำไม่ได้สอนเพี้ยมิตรใดๆทั้งหมดผู้ที่ท่านเป็นธรรมล้วนๆถึงบอกว่าไม่มีเล่มีเหลี่ยมไม่มีเล่ ม, มีในไอคนมีเล่มีเหลี่ยมพูดคําเดียวกันมันก็มีเล่มีเหลี่ยมมันก็มีเล่มีนอยู่อย่งนั้นอ่ะพอกิดมันมีกิเลสมันมีเล่มีในอยู่นะ ถ้กินมันก็เลยสุดแล้วมันจะมีตรงไหนดุก็ไม่ไม่มีพิษกระดุไปตามเนื้อตามราว่าเพราะว่าไปตามเนื้อตามราท่านไม่ได้โกรธท่านไม่ได้มีอะไรในกินของท่านเลยเป็นแต่ผู้ที่มีพิษมีภัยพอามรักสัมผัสว่าดูด่าว่ากล่าวก็สัมผัสเพราะตัวเองมีแต่ถึงถ้าพูดแล้วทั้เนื้อทั้งตัวก็มีแต่แผลทั้งหมดเลยพูดเขานั่นเองก็ทั้งที่สิ่งนั้นไม่มีอะไรก็ไปถูกเข้าไปเท่านั้นจะเป็นพิษไปหมดเลย จิตมันมันมีแต่โทษเต็มดวงเต็มดวงเต็มดวมันไม่ได้รับอะไรไว้เลยทำมันรับทำพอจะคิดขึ้นมาพอได้สนุนสังเวชตัวเองพอได้คิดได้อ่านดังนั้นผู้มีสถานในศาสนามีความชั่วความเลื่อมใสนี่ก็โอ้โหขนาดเรารู้จักว่าพระสวดมุนนี่ก็นับมาล่าจิตเราได้พอสมควรดังนั้นจมเลยจมดิ่งในพระสุธรรมเลยจึงพากันจําม่ให้ดีเ ล, เล่าที่อยู่กับพ่อแม่ค ร, รูอาจารย์มาองคไหนองคไหนพูดเป็นเสียงเดียวหมด ท้อในการตอบท้อจริงๆลากยากจริงๆพอพูดตรงนี้ก็ไปออกตรงนั้นพอบุตุชนพอพูดตรงนี้ก็ไปหลบตรงนั้นไม่ถ้าคนไม่ยอมรับความจริงที่อย่างแสร็รับไม่ได้เพราะศาสนาเป็นของจริงของจริงจะมีมีเล่ห์มีเหลี่ยมไม่ได้หลบไม่ได้ตรงไปเลยตรงตรงด้วยความรับครอบหรือจะไปตรงแบบเห็นตรงนะตรงด้วยความรับครอบสิ่งที่ควร รอบรู้พิงที่คนออกแงไหนมุมไหนความรอบครอบตรงนั้นพร้อมพร้อมหมดพร้อมหมดนี่ถือว่ารู้ฉลาดฟังแต่ว่ารู้ฉลาดไม่ใช่รู้เฉยเฉยไม่ใช่รู้แบบงู้งถือว่ารู้ฉลาดรู้รอบขรอบไม่เป็นพิษเป็นไัยไม่มีโทษแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอาไว่ท่านได้มีเมตตาจริงๆริงโ้ลังฟังเราไปโกรธไปยกโทษท่านอโอ้ท่านปิดยิ่งไปโกรธท่านยิ่งไปยกโทษท่านยิ่งสลดใจ ยิ่งท่านยิ่งเมตตาท่านี่ไ้ฟังเขาแมงกันพอเราโอ้โหเดนมาร์อังกฤษตัวนี้โ ท, ท่เัน่าร์หน้าสนหน้าสหลดหน้าทุเรศเดนมาร์กเราพูดดีๆ ม, มันยงังโกรธมันยังมีเันมาร์กท่าเอต่ก่อนอยู่กับพ่อแมองจก่นเนี่ยแะโอ้เราจึงยก พ, งพ่อแมงแา่นพ่อเมันเอาหวกเอาลาวเอาแหลมมาทิ่มเราทั้งวันทั้งคืนมาทาไมเดนมาร์กใครบอกมาทำไอยู่วัดจริงๆเล่นหนักเขามากมาทไมเดนมากโอ้โนเทศท่นทรมานเรา พอเราจะหลบไปหน่อยพอจิตใจเป็นอ่อนเนี่ยโอ้เราก็ว่างน้นเรผู้คนไปดูสงสารท่านทัานทุกท่านตีท่านยอมท่าอะไรโอ้ท่านฉลาดจริงๆท่านยอมท่าอะไรทุกด้านจึงแบอกบัณฑิตานั่นจากเทวนาแม้เราจะเป็นยิษเป็นภัยก็อยู่ท่านก็ให้อภัยอยู่ตลอด24ชั่วโมงผู้มีธรรมภายในใจผู้เป็นเมตตามหาเมตตา24ชั่วโมงในเราเผยใจไม่มีอะไรเลย ยกเราจะยกให้ฟังเหมือนพวกเรานี่ไม่ฆ่าสัตว์ที่อย่างไม่ต้องพูดนั้นละ่ะตัวเมตตาใหญ่ที่สุดงมดการฆ่าสัตว์นั่นแหละเมตตาแล้วไม่ไปลักไปฉกหรือไม่ไปเอาเปรียบเอาลัด ก, กับชี่ของเขาแล้วให้อภัยแล้วแล้วใจก็ไม่มีแล้วเมื่อต้นมันก็มีนานไปก็บัง ค, บบงคับไว้บังคับไว้บังคับไว้เพราะนานไปมันก็ปล่อยนั่นละ่ะที่ทําบริสุทธิ์ล้วนๆว น, ว น, ว น, วนจะแสดงแบบไหนหากู้ พระโสดาบันท่านผู้เป็นพระโสดาบันท่านจึงไม่จำหนีบ้บรรดาผู้ที่ถูกลงโทแล้วไม่คิดเพราะกิดท่านบริสุทธิ์แล้วบุตรชนนี่ถึงจะเชื่อร้อยก็ยกโทษก็เต็มร้อยเหมือนเดิมเพราะเวลามันโกรกขึ้นมามันก็มืดไปแต่ผู้มีธรรมนั้นให้อภัยเสมอเสมอท่านให้อภัยเสมอจะเหมือไม่มีเลยดีทั้งหมด โหเราอยู่ตะมาอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านถึงเนี่ย ม, ม, มาคิดขึ้นมาถึงมาเล่าให้ฟังท่านไม่สอนแต่ก่อนพ่อแม่ครูาอาจารย์ขายหนังสือประเทศท่านไม่ค่อยเทศหรอกอหนังสือเจ้าคุณบาลีบ้างแล้วแต่ท่านจะให้เราอ่านเราก็อ่านเทศเทศตามหลักนักปราชญ์ท่านว่าดีแล้วดีแล้วอี่พวกเรามีหนังสือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พากันไปดูเอาปรับปรุงแก้ไขหลักนักปราชญ์ท่านมีแล้ว เ, เราพูดออกมาบางทีมันจะมี ผิดบ้างเพราะเราเป็นบุตุชนบุตุชนมันมีมันมีผิดในตัวนั้นถึงถึงแสดงออกถูกต้องใจตัวนั้นมันมีอะไรอยู่มันไม่สะอาดพอจึงไม่เต็มเปี่ยมโดยการแสดงธรรมท่าทนจึงห้ามระปฏิบัติท่านห้ามหนึ่งยาเทศมากกันหมอยาติดต่อคนเป็นแบบนี่การดาเนิมมนหลักของกิจมันก็ยาก่อสร้างมา ก, ก น, นี่ผู้จะหนีจากโลกต้องดาเนินไปทางแถนนี้ ผู้ทอยู่ในโลกท่านก็นแง่อิ่งเอาสร้างถนนรุ่นทางสร้างสลาสร้างอะไรแต่ให้รู้จักสร้างอย่าเอาแต่เอาใจตัวเองเกินไปท่านว่าอะไรควรกับภาวะของพระอะไรท่านอยู่ยังไงแต่ละเวลาเป็นยังไงให้รู้จักต่างคนต่างแบ่งบุญซึ่งกันและกันจึงให้อภัยสิ่งที่ควรให้สร้างก็สร้างเพราะปฏิเสธไม่ได้คือปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนต้นไม้ทั้งที่พูดแล้วแ่บเหมือนเปลือกกับพรี้แก่อาศัยซึ่งกันและกันปฏิเสธไม่ได้ แต่ให้ฉลาดใช้ให้รู้จักถ้าไม่ฉลาดใช้กันบําเพ็ญบุงก็กลายบําเพ็ญโทษไปถึงท่านเลยรู้จักท่านจึงเป็นกุศโลกุศลานเป็นคนผู้มีความฉลาดมีความเฉลียวฉลาดรู้จักกาลารู้จักอะไรควรที่จะทําหรือไม่ควรอันนั้นแหละคุณนั้นแหละมึงเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมเต็ ม, ป ม, ปมไปท่านจึงบอกว่าอย่างนึงคมี มี้าเลยก็พูดอย่างนี้นแหล ะ, ะพูดให้ฟังลราพากันก็ไม่เคยพูดที่ทีก็เลยพูดมีช้า้ากันยังบริจาคกัพากันคิดกระนาแล้วพู ด, พดเพิ่งพูดถึงแค่นั้นมีช้าลูกหลายนยังทำบริจาคเพิ่งบอกไอ้บริจาค ก, ก็คนรัศลอหรือมันมีเงินกันุโมธนาในน้ําใจที่เป็นกุศลนั่นเป็นดีแต่มาไม่เคยบอกใครๆเขาเห็นว่าจนจึงไม่บอก คิดเห็นมาความจนไหนคิดเอาให้ฉลาดเอาแค่ใส่บาทให้เราก็คิดแล้วก็เห็นคุณค่าเห็นน้ำใจขนาดนี้พระสาราีบดีนี่พวกพูดเป็นธรรมนี่แค่ใส่บาททศพีหนึ่งท่านก็ไม่ลืมบุญคุณนุ่นพระสารีบุตรดูสิดีจะพาคันประมาทนะโลกสมัยนี้กําลังร้ อ, รอนๆเต็มที่ให้ถึงพร้อ ม, มด้วยความไม่ประมาทท่านท่านทั้งเราอย่าประมาท ไม่ดีประมาทตัวเองก็ไม่ดีประมาทคนอื่นก็ไม่ดีรวมแล้วมันอยู่ที่ตัวทากันขยันรักษาสีให้สังวรระวังอย่าสักแต่ว่านอนวัดก็พูดกันไปพูดกันไปมันจะเป็นประเพณีเช้านี้ก็พูดการทํทราโรคทําทุกข์านเป็นปเพณีโมดกลับใหม่ไม่ได้หรอเนี่เป็นการให้ทานอย่างนี้ก็เป็นประเพณีกันไปโมดทําไมกลับจา้างหรืออื่นแม่ทํางานแกลโลกแกลทุนศาน เราไม่ได้ดูถูกเป็นประเพณีหมดออการปลูกกว่าก็สักแต่ว่าทําพอทําเล่นทาแล้วก็โมดเงินไปประปะไม่ได้กี่ปีกี่เดือนมึงไถ่ดิมีเสียงเงินเป็นกี่ล้านกี่แสนปลูกก็ปกลูกก็ดูที่ฝนกําลังมันหมดคุณค่าที่จะปลูกก็ทําเล่นกันไปโอ้อย่างนี้เลยโลกเราคิดกันดูสิถ้าเราทํากันอย่างนี้ถ้าเราไม่ปรับปรุงแก้ไขเราอย่าหวังว่าจะเลยไม่มีทางเจริณ มีแต่จมลงไปจมลงไปเท่านั้นแหละนังนั้นจริงเจริญเมื่อไหร่แต่เกิดมาได้กนานแล้วปลูกป่าไม่ได้กี่ป่านอกจากผูดตั้งใจยยงจริงๆผูท้ทําจริงๆจึงมีอยู่จึงทําขึ้นนี่แค่เรื่องโลกโลกก็แค่นั้นแ ล, และเราก็หันมาตัวตัวเราสิดิพูดไม่ได้พูดยกโทษกันนะพูดเพื่อให้แก้ไขให้คิดให้อ่านนั่นเปปรับปรุงแก้ไขการทาําบุญก็ดีการให้ทานก็ดีการไหวพระก็ดีชักเสกกาบตะงอกตะงอกใจไม่ได้นึกถึงพุโทโธธัมโมสังโภคก็เปล่า เป็นเด็กิริยาเผยเฉยมันได้ผลน้อยทําให้จริงให้จังสน่อยมีสจัจจะมีความจริงใจต่อตัวเองที่ว่าก็ว่าจริงจริงนี่ตั้งใจจริงๆริงอรหังตรหังจริงๆอืงพุทโธก็พุทโตจริงจริงทำโมก็ทําโมดสา ม, มขั้งสันนั้นก็ว่าอาหารหังทุกิโตทุกวันทุกวันทุกวันเจ็บวันได้เล็น้อยไปก่อนดีแล้วมีสลึงก็เจ็บมันทุกวันเนี่ยวันนี้ก็ได้สลึงวันนอกก็สลึงสะลึงสองสลึงก็ห้าสิบสี่สลึงก็บาท ก็เจ็บตรงนี่ที่เจ็บบุญทีแรกมันก็ไม่เห็นแหละแต่มันนู่นเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นอะไรก็รู้ตัวขึ้นมาเนี่ยการบําเพ็ญบุญก็เหมือนกันที่น้อยก็เหมือนไม่มีเราก็มารักษาศีลเหมือนกันศีลยังไม่สมบูรณ์ก็ยังไม่มีพอนานไปก็คิดได้คิดได้เดี๋ยวนี้บางคนก็คิดได้แล้วยกตัวอย่างเราก็พูดเนี่ยต่อหน้ายกตัวอย่างแต่ก่อนอ่านหนังสือธรรมะไม่เข้าใจอ่านแล้วจะโยนเข้าปากเลยพออ่านเดี๋ยวนี้ปุ๊บเข้าไปดี จิตมันดูดเข้าไปดูดเข้าไปดูดเข้าไปมองโอ้เชื่อนักป่าทันแต่ก็อ่านไปอย่างนั้นแ่ละมันยังไม่อ่านทีุเยศซ้ำไปอ่าน น, นั่นคือพิมมันชอบแลนอกจากไปดูการ์ตูนบ้าบๆมันชอบสิ่งที่ไม่เป็นสาระก็ถือว่าเป็นสาระนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกทั้งหลายนี่สิงที่พุทธเจ้าว่าตัดประเป็นสาระก็ถือว่าไม่ใช่สาระนี่ อันใดที่พระพุทธเจ้าว่ามีสาระก็บอกเปล่าไม่ใช่สาระโลกกลับกันกลับกันอย่างนี้สิ่งใดที่ดีงามก็ไม่ชอบกลับชอบสิ่งที่ไม่ดีงาม น, นี่เราพากันประมาทกันอยู่อย่างนี้แล้วก็ปรับเอาที่ติดต่างปรับหัวใจแต่ละคนละคนไม่ต้องพูดละทีนี่เอาปรับคมขยันหมั่นเพียรแต่ละดวงละดวงแต่ละข้อแต่ละแม่แต่ละลูกอ่าปรับ และกระเซียนทำแต่สิ่งที่ดีงามไม่มีโทษแต่และดวงแต่และดวงแต่และพ่อแต่และแม่แต่และลูกไม่ต้องพูดเมืองไทยสีวิไลจะเลยลูกเรืองผล ก, กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันความบาดหมางซึ่งกันและกันคขอเอาเปรียบเอาละซึ่งกันและกันเรียบพุทธนี่ทำสอนโลกให้ร่มเย็นร้อยทั้งร้อยร้อยเปอร์เซ็นเป็นร้อยเปอเซ็นคือถ้าโลกน้อมนำทำก่อนรู้แต่เจ้า ซึ่เป็นศาสดาเอกสอนโลกทั้งสามเข้ามาปรับปรุงแก้ไขชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนและหัวใจแต่ละดวงระดวงย่างไรก็นับวันจะพื้นฟูนนขึ้นมาโลกก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไม้มีประมาณอายุเป็นหมื่นเป็นแสนกาไดแสนล้านปีก็ได้เพราะปรับปรุงถูกต้องดีงามต้นไม้ที่ปรับปรุงถูกต้องดีงามมันก็ยืดหยุ่นเหมือนกันมันก็จเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันคนก็เหมือนกันปรับปรุง ถูกต้องดีงามตามหลักเหตุผลตามหลักศีลหลักธรรมอย่างไรก็คนนั้นก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันถอยถ้าปรับปรุงแก้ไขไม่ถูกต้องดีงามตัดตามหลักของนักปราชญ์แล้วยังไงก็บันบ่นทอนบันบ่นทอนบั่นทอนเกิดมาก็อาพับเกิดมาก็อาพับสมบัติจากนั้นเราก็อาพับทางดา้านจิตใจคิดแต่ได้สิ่งที่ชั่วยชาริะมกเศร้าหมอนทั้งวันทั้งวันตื่นขึ้นมาก็เศร้าหมองนอน ล, ลงไปก็เศร้าหมองตื่นขึ้นมาก็ร้องไห้ไปที่ไหนมีแต่ความโศกเศร้าโศกอาลุ่นทั เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนทําเอาเพราะเราเป็นคนสร้างขึ้นเอาใครทํากันดีหรือชัว่วตัวเองทําเอาพุทธเจ้าท่านบอกอนยะ่างนั้นแล้วท่านให้ชําระอย่าทําอย่าท ำ, าทำาลูกตักูกตังเชืยอย่อโยความชั่วยอย่าทําเลยมันไม่ดีท่านบอกมั้นคําเดียวเท่านั้นหมดความชั่วยอย่าทําเลยมันไม่ดีเพราะอะไรปัจฉาตปปะปฏธิลูกกตัง ทำแล้วมันจะผานตามหลังไปไว้วันใดวันหนึ่งเหมือนหมาไล่เนื้อเนี่ยแหละมันทันน้ํากนกัดออกเมื่อคนขั่วนี่ทําคนขั่วแล้วเนื้อคนขั่วไม่ตามยังไม่ทันนั่นหัวและเยาะชอบชอกชอบใจพอความขั่วตามทันถึงตัวตัวเองแล้วนั่งก้มหนักรัดเขา่าไม่ไดีอะไรขึ้นเลยพากันไปปรับปรุงแก้ไขนะนี่ยังยังยงังเดือนหนึ่งมันพรุ่นี้ก็ไปถึงเดือนแล้ว ยังไงก็ให้ถิน่นเราบริสุทธิ์ให้ตรวจตราจนมันออกพันษาวันนี้เรื่อกันมันสองเดือนแล้วตรวจตาท้อยหลังมันมีมันบริสุทธิ์ไหมใสนีว่าจะเป็นยังไงการแสดงออกทางกายเป็นยังไงตรวจตราตัวเองถ้าตัวเองบอกพร่องที่ตรงไหนแก้ตรงนั้นแก้สุดนั้นพยายามถึงสติให้ขึ้นมาแก้ตรงนั้นแก้ตรงนั้นแก้ตรงนั้นยากก็ต้องแก้เพราะสิ่งตัวนี้มันดีมันไม่ดีจะไปทํําทำหมัย เพราะสิ่งนั้นมันทําให้เราอาภัพก็บอกแล้วพุทธเจ้าบอกแล้วสาวกบอกแล้วพ่าพุทธเจ้าท่านรู้ดีรู้ชั่ววังรู้สิตัดทะรู้นี่ไม่ได้ตัดทะรู้เล่นๆสร้างมาศีสมไขยแสนกำไลมหากัพรู้หมดสารแดนโลกธาตุรู้หมดสว่างกระจ่างแก่งอโลโกอุดบาดิรู้หมดรู้ทั่วถึงหมดไม่มีผิดไอ้พวกเรารู้อะไรนอกจากรู้แล้วก็หลงตัวเองรู้แล้วก็หลงตัวเองหลงอมเงาแล้วทํำรุ่งขั้วสร้างรามกกวาดีเนี่ยมันรู้ไปจริงถ้ารู้จริงไม่ทับ ควรจะรู้จริงต้องปฏิบัติมีปฏิบัติเท่านั้นมีภาคปฏิบัติเท่านั้นเอาจริงเอาจังเท่านั้นเองเป็นคนจริงจังต่อศีลต่อธรรมต่อขานดถ้าไม่ใช่คนจริงคนจังแล้วไม่เห็นไม่เจอคนจริงเท่านั้นทําเป็นของจริงผู้ทํากับผู้ปฏิบัติต้องเป็นของจริงอยู่มาแล้วหรอกแหล ะ, ละอย่ามีหวังคนสุดท้ายก็ไปหัวรเยอเลยเลื่อนนานไปก็กเกลียดถ่วงเข้าไปถ่วงเข้าไปก็อาบพับเข้าไปบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูญย์เสร็จ ไอ้ตัวเองสูญเมื่อเวลาคิดความโกรธขึ้นมาศูนย์เหื่อเวลาความรักศูญเหรอเวลาไม่ได้อย่างใจเป็นทุกข์เหรอเท่าไหร่ไม่เห็นมันศูญมันไปอยู่ไหนวันหนึ่งวันหนึ่งมันศูญไปไหนไม่เห็นมันศูญเห็นตั้งแต่ยี่สิสี่ชั่วโมงมาอยู่อันหนึ่งก็อันหนึ่งพลิกไปพลิกมาเจา้านี่แน่นอนก็ได้เอารักรักคนนี้ก่อนนานไปก็หายรักไปรักคนนู่นละเกียร์คนนี้กัไปไปเกียรติคนนู่นอันนั่นแหละธรรมศาสตร์เกตสิษ วันนั้นแหละที่จะให้ทำความช่วชช้ารามบกไหวตัวอยู่ตลอดย4สี่ชั่วโมงถ้าใครหลงหน้าหลงตามันก็ยอมจำนวนมันหมดยอมจำนวนก็เสร็จเลยคุณชูท้าก็ทังพินาศจิบหายเพราะตัวเองหลงหล ง, หลงอารมณ์ท่านจึงเอาทำเป็นที่ตั้งยึดศินขึ้นมายึดทําขึ้นมามันคิดไปก็ให้อยู่กับสินกับทําพระยังมีสติสตางสังวรระวังเมสังวรระวังสังวรระวังท่านให้ระวังอย่างนี้ นี่หากันคิดกันอ่านสิ น, นี่นี่พูดให้ฟังเกณฑ์คติวันคืนร่วงไปร่วงไปร่วงไปก็บอกว่าเราคิดถึงเรื่องนี้ก่อนดูผมเรารู้สึกโอหมอกแล้วนะดูหนังเหี่ยวแล้วนะเตือนตัวเองลืมแล้วเห่อเวลานี้บอกกับของอย่างนั้นมองดูซีสิ่งทั้งหลายคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายปู่ย่าก็ตา ย, ตา ย, ต, ายตายไปแล้วเราทําอะไรขึ้นมาเวลานี้ เรียนเจะของอ่อย่างนก็นรีบเล่นลขวฝ้ายนี่นี่ไม่ไม่นานก็ตายนะจากนี้ไปออกพรรษานี่ยังยี่สิบเก้าวันแหละทินเราจะตั้งใจบำรุงจิตใจของเราด้วยศีลด้วยธรรมอยู่สม่ำเสมอไม่ต้องพูดถึงใครกินข้าวเราก็กินอิมของเราหรอกคนอื่นไม่กินแทนไม่ได้เขาจะยกจะยอเขาจะชมหรือไม่ชมก็แล้วแต่เขาขอให้เราชมเราขอให้เราบำ ร, รุงเราด้วยศีลด้วยธรรม ใจของเราด้ชุ่มเย็นด้วยล่าเริงบันเทิงด้วยศีลด้วยธรรมไม่ซ่องห้องใจพอพอแล้วคนคนหนึ่งไม่ต้องไปให้ใครมายกมายอาย อ, อีกมาเองที่นี่ขอให้ดีเหมือนที่ดูพ่อแม่คุณจันมั่นดังหมดเลยคุณจะท้ายต่อมากก็พ่อหลวงปู่ขาวพ่อแม่ปู่อาจารย์พ่อหลวงแสงท่านผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์หลวงปู่ตันอะไรท่านผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์เขาชมเองชมท่านก็ไม่ได้ว่า ชมไม่ชมท่านกว่าอะไรเหมือ น, นเราทานเองอิ่มแล้วเราไม่เห็นว่าอะไรเขาจะว่าเราไม่อิ่มเราก็เฉยไม่เห็นไปเกี่ยวคนชมก็เป็นแต่ ค, ค่าำพูดเอยๆหากเราไม่ดีแล้วเขาชมว่าดีเราดียังไงเราก็จะเจาหมองอยูน่นี่ร้อยทั้งร้อยทําให้ไปหลงปากเข้าจนเกินไปเราต้องคิดให้ดีสิตรงนี้เราว่าเพราะว่าเราไม่มีศีลเรามีจริงๆนี่เลยไปห่วงอะไร ไม่ได้โกหกทั้งวันยี่สิบชั่วโมงเราไม่ได้โกหกเลยสบายแล้วทำไมเป็นตะคุบเงาเลยอันนั้นเป็นแต่เงาเฉยๆนักป่าท่าน่าลงปัดพูดแล้วก็ผ่านไปเหนี่แหะท่านจิงซส่วนโลกธรรมมีลาศเสียมลาศมียศเสียมยศอ้าวเกิดขึ้นมานี่ก็เสียมไปแล้วแก่ไปแก่ไปแก่ไปแล้วเสียมแล้วแต่ก่อนมีลาศเดี๋ น, นี้อายุแก่แล้วมันเสื่อมแล้วหมดเข้าไปหมดเข้าไปแล้ก็หเหเ็นอยู่อย่างนี้ เราก็คิดเอาอย่างงี้หาวิธีเอาไว้สอนตัวเองทุกด้านทุกมุมสิโอ้ยจะพากันประมาดนั้นนะตายไปแล้วใครเอาอะไรไปนอกจากกุศลกุศลารอกุศลุกุศลากุศลาอกุศลาสองอย่างกุศลนะคือความฉลาดถึงพร้อมด้วยความดีงามขั้นต่าต่อไปก็ศีลสูงสุดแล้วกันกับภาวนาจิตใจมั่นคงแน่นนะา ไม่ว่าแวคอนเทนต์กับต่ออารมณ์ต่างๆขนาดนี้ก็เหลือกนหากว่าจะตายแล้วไม่ต้องหายห่วงคนไหนเลยไปคนเดียวซ ะ, ะความสุขก็อยู่ที่ใจตัวเองนะพากันฟิดกัน อ, า อ, าอ่านอะละแค่นี้พอ